อันขึ้นชื่อว่าอัตภาพร่างกายอันนี้น ะ, ะเราจะเลี้ยงมันจะปนปื้อมันให้อิ่มน้ำสำรานสักเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกคิดดูแต่ผู้ที่มั่งมีสีสุกต่างๆหมดนั้นก็ไม่เห็นใครมีอายุยืนเกินคนยากคนจนไปได้ผลสุดท้ายก็ต้อง ทอดทิ้งสมบัติอันมโหฬารไปดังนั้นอย่าพากันไปชื่นชมยินดีกับความสุขชั่วคราวเหล่านั้นในเมื่อได้บวชเข้ามาแล้ว <c oughs> การปฏิบัติตามทำตามวินัยนี่นะมันเป็นการตัดทอนกิเลสตัณหา ในหัวใจให้น้อยเบาบางออกไปโดยลำดับดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชก็ต้องให้เข้าใจว่าเรามาบวชเพื่ออาศัยธรร ม, มวินัยนี่เป็นเครื่องขจักกิเลสบาปประทรมต่างๆออกไปจา ก, ก จ, จิตใจคนเราถ้าว่าไม่มีข้อบังคับ บังคับตัวเองไว้บ้างนี่มันไม่ไหวจริงๆองมันสักกันไหลไปตามอํานาจของกิเลสเรื่องมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อเราได้เข้ารบต่อข้อบรรยัติต่างๆเข้ารบต่อธรรมะต่อระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั่นอย่างเด็ดขาดไปเลยอย่างเนี้ย เราไม่ยอมล่วงข้อบังคับหรือว่าข้อระเบียบต่างๆนั่นนั่นแหละจะทําให้กิเลสมันเบาบางออกไปอกิเลสหยาบๆนั้นมันจะได้เบาบางลงอย่างว่าผู้ที่เคยเห็นแก่รับแกนอนเห็นแก่กินเห็นแก่ความสนุกสนานมาตั้งแต่ก่อนบวช นั่นแนะ่ะเมื่อบวชเข้ามาแล้วเราจะไปประพฤติเช่นนั้นจะไปปล่อยให้จิตใจมันดิ่นลนอยากไปตามความประสงค์เหมือนอย่างที่เป็นครือหัาอยู่นั้นไม่ได้เลยดังนั้นมันต้องบังคับตัวเองให้ตรงไปตามทำตามวินัย การสั่งสมบุญกุศลหมายเอาการที่ว่าเรามาปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยเมื่อตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยแล้วกิเลสต่างๆมันจเจริญงอกงามขึ้นในใจไม่ได้บุญกุศลมันก็จเจริญขึ้นแทนเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินแล้วถอนยากออกไปหมดแล้ว เวลาหว่านพืชอที่มีผลลงไปพืชต่างๆมันก็ขึ้นได้งอกงามได้เจริญได้เต็มที่ถ้าหากว่าไม่ถอนหญ้าถอนต้นไม้ออกจากดินนั่นเราจะไปหว่านพืชอะไรลงปนปลายหญ้านั้นไม่มีทางมันจะได้ผลนะอันนี้ไม่ได้ผลเลยสู้หญ้าไม่ไว อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคค ล, ลว่าปล่อยกายวาจาใจให้มันเป็นไปตามหน้าของกิเลสปล่อยให้กิเลสมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจอย่างนั้นแล้วเราจะไปทำความดีเข้าใส่จิตใจที่มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสเช่นนั้นนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนะ่ะถ้ารกด้วยหญ้าแล้ว ใช่กว่าไม่เอาพืชอะไรไปปลูกใส่อปลูกลงไปมันก็ไม่ได้ผลต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเนี่ยเราปฎิฐานาบุญกุศลเพราะบุญกุศลนั้นเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความฉลาดเมื่อเราปฎิฐานาบุญกุศลอย่างนั้นนะมันจําเป็นมันต้อง พยายามกำจัดส่วนที่เป็นอกุศลออกไปจากกายวาจาใจนี้ก่อนเมื่ออกุศลมันระ ง, งับลงไปกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนมันมันเป็นอย่างนั้นจิตใจคนเรานี่นะมันมีเชื่ออยู่ทั้งสองอย่างอยู่ในใจนี่เชื่อแห่งบุญกุศลก็มีเชื่อแห่งบาปอากุศลก็มี มันปนเปกันมาอย่างนี้นับชาติไม่ท่วนแล้วที่ท่องเที่ยวมาในสงสารนะวันนี้เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนามาพบาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วก็ควรที่จะไปกันกองบัด น, นี้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละ มันจะเป็นการกันกองส่วนไหนเป็นอกุศลก็กําจัดมันออกไปส่วนใดเป็นกุศลก็เจริญให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> นี่นี่เรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะองค์ไม่ให้ปล่อยให้อคนผู้นับถือคําสอนของพระ อ, องค์นะ ไม่ไม่ให้สะสมบาปอากุศลปนไปไปกับบุญกับกุศลความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะครับให้เข้าใจแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายของคำสอนแล้วเอาบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้นะนั่นเลยมันนี่ผลที่จะได้รับก็มันได้ทั้งสองอย่างนะ สุกก็ได้ทุกก็ได้ข่าวใดบุญให้ผลก็เป็นสุกไปข้าวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกไปไออย่างนี้นี่มันไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาขอให้เข้าใจกันจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นเครหอัดคู่ครองเรือนก็ตามมันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้อง ขจัดบาปอกุศลออกไปจากกายวาจาใจทั้งนั้นหละแล้วก็เลือกเอาแต่บุญแต่กุศลเข้าใส่กายวาจาใจของตนไว้นี่นะจุดมุ่งหมายของอพุทธศาสนานะ่ะมีอย่างนี้อถ้าว่าผู้ใดไม่คิดที่จะแยกแยะบาปอกุศลออกจากกายวาจาใจของตนแล้วอย่างนี้ ไม่เชื่อว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเนียเพราะว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์สร้างพระบรมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปจุดมุ่งห ม, หมายก็เพื่อเียวพระองค์ขจัดความชั่วออกไปจากพระไทยหมดแล้ววันนี้มีแต่บุญแต่กุศลล่นล้น พระ อ, องค์อาศัยบุญกุญสนั้นเป็นกำลังใจกำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายที่หมักดองอยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์มานมนา น, นั่นหมดสิ้นไปได้อมพระองค์ก็จึงได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระ อ, องค์ได้ตัดสู้อย่างนั้นแล้วพระ อ, องค์ก็ทบทวนดูแล้วสิ่งที่พา ให้พระองค์ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันก็คือบุญกับบาสนี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าหากว่ามีตะบุญล้นลนอย่างนี้ไม่นานมันก็เต็มเร็วนะออแต่เหตุที่มันนานท่องเที่ยวมาในสงสารนานเนี่ยบางทีบาปมันก็ทําไปเมื่อบาปทําบาปเข้าไปแล้วมันก็ไปสวยผลของบาป ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนลกอบายภูมินานแสนนานกลัวว่าจะพ้นมาได้นี่แหละมันทำให้ชีวิตของคนเรานะ่ะเนื่นนานนะท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้ทำให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่นานนะเพราะองค์รู้เช่นนั้นแหละก็จึงได้ทรงแสดงพาสิทย่อๆยไว้ เป็นหัวใจของพุทธศาสนานะสัพปาปัสสะอาการนงังกุศลโภสภสมปดาสกิจตะ ป, ปริโยดาปานังเอตังบุทานาสาส น, าสนาังการไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงการที่พยายามประกอบูุสนคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในตนให้เต็มที่เลย แล้วการชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้ค่องใสนี่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนี่แหละคำสอนโดยย่อๆนะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อเราเข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้แนละต่างคนต่างก็ พยายามสำมรวมกายวาจาใจของตนให้ตรงไปตามธรรมตามวินัยนะผู้เป็นนักบวชก็ดีศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทนะมอย่างหนึ่งวินัยอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นคู่กันไปพรากันไม่ได้ทำรรก็สนับสนุนวินยัยวินัยก็สนับสนุนธรร ม, มะ ให้เข้าใจเช่อนอย่างว่าพระองค์ทรงบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้นะจะเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์ดิเรกฉันสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายอะไรก็ตามเนะี่ยห้ามฆ่าอย่างเนี้วนะันนี้เมื่อบุคคลไม่มีธรรมะอยู่ในใจคือไม่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจแล้วสะสมแต่วความโกรธให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะ แม้ทรงบัญญัติไว้ห้ามฆ่าสัตว์มันก็อดไม่ไหวเมื่อความโกรธมันเผาจิตใจเล่าร้อนแล้วมันก็บังคับกายวาจาให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้กล่าวคำหยาบคำลวนไปต่างๆนั้นนะได้อย่างเต็มที่เลยนั่นแหละทีนี้การที่บุคคลจะเว้นจากฆ่าสัตว์ได้ก็เพราะมา น้อมธรรมะคือเมตตาธรรมเข้ามาสู่ใจมาเจริญเมตตาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนว่าธรรมดามโลกคือหมูสัตว์อันนี้นะรวมทั้งตัวของเราเป็นเป็นต้นล้วนแต่เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขแล้วไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนทั้งนั้นเลยท่านใด บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกับตนนี่แหละแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเหมือนกับเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเราเหมือนกันนึกถึงอกเขาอกเราใส่กันเข้าไปแล้วมันจึงได้เกิดเมตตาเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองและทั้งบุคคลอื่นสัตว์อื่นขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ มันก็เว้นได้เลยเอข้อที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ก็เว้นได้เพราะมีธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนเอสิกขาบทข้อนี้เนี่ยนะยกตัวอย่างให้ฟังคําว่าทำกับวินัยนี่ทอยที่ทอยสนับสนุนซึ่งกันและกันแม่ข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะอะธรรมะขออ้ออื่นก็สนับสนุนวินยัย อันวิเนที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นนะก็เพื่อห้ามไม่ให้คนเราเนี่ยไม่ให้นักบวชนี่เนี่ยสะสมความโลภความโกรธความหลงให้หนาแน่นขึ้นใน จ, ใจิตใจนี่ให้ให้เข้าใจความมุ่งหมายของคําว่าวินายนี่นะถ้าหากว่าพระองค์เจ้าไม่บัญญัติไว้อย่างนั้นแล้วผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ ก็จะล่วงเกินนะอะ่ก็จะทำความชั่วไปได้เลยอ่ะก็ไม่แตกอะไรจากชาวบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นควรเคารพต่อพระวินัยอย่างยิ่งเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วนะผู้เป็นสามมันเนนก็ดีผูกเป็นพิษุูก็ดีมันต้องเมื่อเราศึกษารู้ ข้อวินัยต่างๆตามตำหรักําราแล้วอย่างนี้เขาก็พยายามเว้นตามเลยขอ้อใดที่ทรงห้ามไม่ให้ทําก็ไม่ทําขอ้อใดที่ทรงห้ามไม่ให้พูดก็ไม่พูดในขณะเดียวกันก็เรียนธรรมะเข้าไปอีกเมื่อรู้ธรรมะแล้ววันนี้ก็สามารถรักษาวินัยไว้ได้อมันเป็นย่งนั้น เช่นอย่างฮิริโอตัปปะอย่างนี้นะความละอายในต่อความชั่วในการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างนี้ความเกรงกลัวความชั่วเหล่านั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจนะผู้นั้นก็ไม่ล่วงทาไม่ล่วงวินยัยทาสอนของพระเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำอย่างโน้น อ, อย่างนี้ไม่ให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ล้วนแต่เป็นบาปทั้งนั้นแหละถ้าผู้ใดขืนล่วงทำล่วงพูดไปก็เป็นบาปนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าผู้ใดกลัวบาปนั่นจะตามสนองตัวนั้นเป็นทุกข์ละมันก็ไม่ทําไม่พูดไม่ล่วงทำล่วงวินยัยทั้งต่อหน้าคนหมู่มากก็ดีทั้งรับหลังหรืออยู่คนเดียว ก็ตามไม่ยอมทำความชั่วอันนี้เราให้พากันเข้าใจเรื่องทำกับวินัยนี่นะมันต่างทิศท้อยท่ถ้อยสนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นให้พากันศึกษาเราเรียนดยูตำราตำราให้ให้ดีพอท่องเอา บทไหนก็ท่องจำเอาให้ได้ผู้วบวชเข้ามาใหม่มันก็ต้องพยายามท่องเอาทำทำวัดสวดมนต์ต่างๆนี้ให้มันได้ อ, อยา่าไปอยู่เป่าๆเวลาที่เราบวชเข้ามาแล้วมีโอกาสได้เต็มที่ก็ไม่ได้ทําสวนทํานาไม่ได้การค้าขายอะไรเลย มีโอกาสที่เราจะได้เรียนทําเรียนวินยัยท่องบนจดจาเอาให้ได้อย่าไปเข้าใจว่าอืมไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกเราปฏิบัติเอาจิตใจนี้ให้ได้แล้วลดได้แล้วอ่างั้นไม่ถูกไปคิดเห็นอย่างสั้นๆอย่างนั้นนะปฏิบัติใจนั่นทีมันไม่มันไม่ฉลาด เมื่อมไม่ฉลาดแล้วมันจะไปสอนใจตัวเองได้ยังไงอ่ะมันไม่มีปัญญานี่นั่นแหละเมื่อไม่เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีปัญญานั่นแหละเพราะมันมีความเห็นอย่างว่านั่นแหละมาหลายชาติแล้วบางคนอนะ่ะมันมันถึงได้อัดอั้นดันปัญญาไม่มีปัญญาสอนตนให้ละชั่วทําดีได้พวามปฏิเสธเรื่องการฟังการเรียนเนี้ย นั่นีหให้เข้าใจกันอย่าไปปฏิเสธในเมื่อเราได้อัตภาพร่างกายมาบุญกุศลตกแต่งให้มีกำลังกายแข็งแรงจิตใจก็ดีอย่างนี้แล้วนะแล้วจะปล่อยให้ร่างกายอันนี้มันทุดโทรมไปเสียเปล่าทำไมอะ่ะเมื่อยังหนุ่มยังแน่นอย่างนี้มันก็ยิ่งดีมากนะ การที่เรามาศึกษาเราเรียนทรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ไปได้เพราะกำลังเรี่ยวแรงมีก็ใครใครเจ็บก็ไม่เบียดเบีย น, ยนอย่างนี้นะก็ได้โอกาสเต็มที่ถ้าหากว่าไม่รู้อำนาจแกกิเลสนะความเกลียดคร้านความไม่เอาไหนความไม่อดทนอย่างนี้นยะมันเป็นเหตุให้คนเรานั้น ไม่มีคุณความดีไม่มีความรู้ความฉลาดได้อยู่ในตนเลยเห็นแต่แก่ความสุขชั่วคราวเห็นแต่แก่ความสนุกสนานไปบวดเข้ามาแล้วก็ไปเอาหัวจุ่มกันคุยกันเล่นพอให้วันเวลาล่วงไปเฉยอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยทั้งมีโทษอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะอย่าไป มัวสมกันเมื่อบวชเข้ามาแล้วข้อต่างคนต่างมีงานทำทั้งนั้นเลยเนี่ยงานก็การเรียนทำเรียนวินยัยการวินัยไฉรมวินยัยเมื่อเรียนท่องจำได้แล้วก็น้อมข้ออัดข้อทำนั้นเข้าไปวินัยอยู่ในใจนันอนก็ธรรมะข้อนี้มีความมุ่งหมายอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำยังไงวินยัยศึกขาบทนี้ คงห้ามไว้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าหากผู้ร่วงเกินแล้วจะมีโทษอย่างไรบ้างนี่ข้อที่เราจะน้อมเอาทำเอาวินัยเข้าไปคิดไปวิจารณ์นะมันมีอยู่อันนี้หลังงานของนักบวชนะให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าอืมเรามันทำการงานมามากมายแล้วบวชเข้ามาขอพักผ่อนสักหน่อยเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เล่นเล่นอย ล, ลอยอยู่งั้น ไม่ตั้งอกตั้งใจเรียนธรรมเรียนวินัยไม่ตั้งใจคิดวิจารธรรมวิจารวินัยให้เข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้ไม่ถูกเลยฮะเรียกว่าบวชเล่นบวชร้องบวชค้องประเพณีบวชหนีสงสารบวชผานเข้าสุขบวชสนุกตามขึ้อนอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะ ฉะนั้นอย่าอย่าเป็นนักบวชเหล่านี้บวชมาเพื่อเรียนธรรมเรียนวินยัยเพื่อปฏิบัติตามธรรมวินัยเพื่อขจัดกิเลสป่าประธรรมออกจากกิจใจนี้ให้ได้เพื่อทำความเพียรเพื่อไหวพระนั่งสมาธิภาวนาฝึกใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบระงับลง ใจนี้ถ้ า, าก็าไม่ฝึกมันนะมันก็ต้องเลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสมันอยู่ด้วยกิเลสเอากิเลสมันจูงใจให้ยินดีเพลิดเพลินไปกับเรื่องต่างๆก็เพลินไปกับมันกิเลสมันบันดาลให้เกิดความโกรธความเครียดแค้นต่างๆ น, นากบ โปรดไปตามมันอยู่อย่างนี้บคุคคลผู้ไม่ฝึกฝนจิตใจนะเรียกว่าดีมาถึงก็ยินดีไปกับความดีชั่วมาถึงก็ยึดเอาความชั่วไปใจก็วันไหนจะตามความชั่วนั้นนั้นอย่างนี้นะเนี่ยจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนมันพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นเอาเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลย นเมื่อผู้ใดมาฝึกฝนจิตใจนี่ในทางสมถภาวนาเนี่ยฝึกนั่งสมาธิสกดจิตที่มันเคยคิดพุ่งต้านเลื่อนลอยไปทางอื่นน่ะให้มันตั้งมั่นลงไปสู้กับกิเลสกว่านี้นะกิเลสมันจะปรุงให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้คิดซ่านไป่างสาะน้ไม่ไปจ้ำมันสกด มันไวหยุดคิดลงไปเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเอาละเราจะไม่คิดอะไรเลยแบบ น, นี้นะคิดมาพแรงแล้วปรมานั้นมันมีแต่ทุกข์มันหลงความคิดตัวเองนี่แหละวันนี้เราจะหยุดคิดอย่างนี้นะนี่แต่ ว, วันนีอุบายย่อๆให้เมื่อตั้งอธิษฐานใจลงานนี้ล้วก็ เท่งจิตเข้าไปมเมื่อภาคเตียนไม่โงไม่ถอยเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็ใจมันก็ค่อยหยุดคิดลงไปโดยลำดับนั่นแหละในที่สุดใจมันก็รวมเป็นหนึ่งลงได้เราจะไปนั่งภาวานาลงไปแล้ววันนี้จะไปทำความอ่อนแอ แล้วน้อมสติเข้าไปจะให้มันสงบไปง่ายๆ่ายไปเลยถึงจะเอาอย่างนี้ถ้า น, น้อมลงไปแล้วมันไม่สงบก็อ่อนใจเลยไม่ยอมสู้กับกิเลสอย่างนี้เม่มีฐานนะอใจมันจะสงบลงนะไม่มีเพราะกิเลสมันเป็นมารมันไม่ยอมให้ใจสงบลงเป็นหนึ่งได้เมื่อเมื่ อ, อเผชิญกับกิเลสอย่างนั้นเราก็ต้องทาใจเข้มแข็ง อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งแล้วก็สู้กับกิเลสมันนี่สู้กับความคิดตัวเองนี่แหละอื่มใจหนึ่งมันอยากคิดไปเอาใจหนึ่งไม่คิดนี่สู้กันเอาไม่คิดนี่แหละดีอย่างนั้นคิดมาพแรงแล้วอมันมีแต่ทุกข์ทุกข์ก็ความคิดนี่แลหละอืสอนจนเตือนตนเข้าไปอยู่อย่างนี้เพ่งอยู่ภายในนะ่ะ อยู่ในความรู้สึกกันถ้าฝึกเข้าไปนี่ บ, บ่อยๆใจมันก็หนักแน่นเข้าความคิดในทุ่งซ่านเลื่อนลอยต่างๆนานามันก็เบาลงมานี่แหละเรียกว่าสมถภ า, ภาวนาไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไระมากมายหรอกสมถภ า, ภาวนาเนี่ยตั้งความอดความทนลงสกดจิตนี่ให้มันหยุดคิด ค่อยให้มันหยุดคิดไปเรื่อยๆไปอย่ามันคิดฟุ้งซ่านมากมายฮะนานเข้านานเข้ามันก็หยุดลงได้จริงๆนะนั่นแหละพอหยุดความคิดความไม่ความคิดมันระงับไปมันก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันะนั่นแหละบัดนี้เอาสติประคองความรู้สึกอันมันนิ่งอยู่นั่นะไว้ให้มันอยู่ไปได้นานเท่าไใดยิ่งดีเลย ต้องพยายามกันต่อจากนั้นก็จเจริญปัญญาเมื่อฝึกใจให้ตั้งมั่นลงได้ดีพอสมควรแล้วก็หัดคิดหัดวิจารณ์ธาตุสี่ขันห้านี่แหละให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป